วัดไหว้พระสวดมนแล้วเรามีกิจจะต้องทำต่อไปอีกที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญมาทุกวันทุกวันเสมอมากิจนั้นคือการปฏิบัติจิตภาวนาเราทราบอยู่แล้วว่าการภาวนานี่ เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ติดต้องการสติต้องการปัญญาเพื่อเป็นเครื่องรักษาตัวของเรามีสติปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องรักษาจิตใจไว้ได้สิ่งอื่นไม่สามารถรักษาได้เพราะฉะนั้นสติปัญญาที่จะเกิดขึ้นได้เราต้องฝึกเราต้องอบรมต้องปฏิบัติ เพราะสติปัญญานั้นนำมาซึ่งความสุขทุกคนต้องการแต่ความสุขแต่ที่จะรักษาการปฏิบัติให้ความสุขที่เราต้องการนั้นให้เกิดมีขึ้นในตัวของเราหรือมีประจําตัวของเราเราไม่เข้าใจจึงแสวงหาความสุข ด้วยการหาดยการแสวงหาผิดบ้างถูกบ้างได้บ้างเสียบ้างหาไปหามาหาที่จะเอาเป็นหลักแน่นอนไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นจะได้ความสุขเมื่อถึงแล้ว ความสุขที่เราตั้งใจนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไม่มองเห็นความสุขตรงไหนแล้วก็มองไปอีกหาไปอีกอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เล็กจนใหญ่จนถึงชีวิตหาไม่แตกสลายไปก็ยังไม่มีใครได้ความสุขด้วยวิธีหายอย่างนั้นให้เพียงพอเปีความต้องการ เพราะฉะนั้นการหาวิธีนี้องค์สมเด็จพระจินท์สีสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ได้หามาแล้วได้ประสบความล่มเหลวมาแต่มากต่อมากไม่มีอะไรแน่นอนจริงจังในความสุขแบบโลกโลกก็ดูโลกไหนประเทศไหนที่มีความสุขอันสรุกทุงแม้จะมีการศึกษาสูง เรียกกันว่าอริยะร เ, เทศอริยะชนผู้ที่ได้ศึกษามีความรู้สูงเต็มตั้งกันเองเอาชื่อของอริยะมาตั้งหาได้รู้ว่าคำว่าอริยะหมายว่าความมาอย่างไรบุคคลเช่นใดจึงสมควรเรียกว่าอริยะได้คําว่าอริยะนั่นเป็นผู้ไม่มีศัตรูเป็นผู้ไม่มีข่าศึก ภายในจิตใจประเทศไหนไม่มีศัตรปูประเทศไหนไม่มีตำรวจไม่มีทหารไม่สร้างอาวุธยุทธภัณเพื่อทำลายการเบียดเบียนชีวิตการข่มเหงกันนะจะเป็นอริยะชนหรืออริยะบัณฑิตนักตราถูกต้องตามธรรมไม่ได้เป็นก็เป็นได้แบบโลกโลกเท่านั้น ส่วนจะเป็นอริยะถุกต้องตามทำไปไหนนี่จะต้องเป็นผู้แก้ไขจิตใจของตัวเองอย่าให้มีค่าศึกเกิดบังเกิดขึ้นในจิตใจค่าศึกนั่นคืออะไรค่าศึกนั่นทานเรียกตามภาษาดั้งเดิมว่ากิเลสซึ่งเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในจิตใจ ที่จูงใจให้กระทำสิ่งต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดโทษเกิดภัยขึ้นมาในแก่ผู้กระทำให้กระทบกระเทือนกันให้เบียดเบียนกันให้ทะเลาะวิวาสกันให้เก่งแย่กันไม่ไหวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันสิ่งอย่างนี้มีอยู่ในโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคย จุดจางจากโลกไม่เคยหายไปจากโลกเป็นธรรมส่วนหนึ่งเป็นของจริงอย่างกระเสิร์ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบแล้วสอนพวกเราให้เรามองดูโลกอันเป็นความจริงที่ท่านเรียกว่าสังขารทางหลานไม่เที่ยงสังขารเราไม่ได้มองดูแต่ เฉพาะร่างกายของเราแม้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสังขารประเภทไหนที่มันเกิดขึ้นแล้วล้วนจะเปลี่ยนแปลงกันต่างนั้นแม้แต่ความสุขความทุกข์ยศลายศชัลยเสอทุกอย่างก็ต่าไม่มีอะไรที่หลังยั่งยืนพอสมควรที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเราได้แต่สิ่งที่ มีความอบอุ่นในจิตใจของเราไม่มีเลยถ้าเราดูตามความจริงแต่ถ้าหากเราดูที่กิริยาที่มันเปลี่ยนแปลงที่เราต่อสู้ได้มาสืบต่อเนื่องกันตามันดับที่ผ่านไปผ่านไปเสี่ยงไปต้องการใหม่ก็ต้องดิ้นรนหาไม่อีกหมดไปก็ดิ้นรนทหาหาไม่อีก ต่อสู้อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาการต่อสู้การกระทาเหล่านั้นเราถือโดยสว่าเป็นความสุขอ่าเป็นไม่มีความทุกข์เพราะเป็นเครื่องปกปิดเพราะมันติดเสียแล้วไม่ว่าสิ่งใดเมื่อเราหลงเราติดสิ่งเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะทุกข์เท่าไหร่เสมอจะมีความสุขขาดไม่ได้เลย เหมือนกับคนติดยาเสพติดยาเสพติดถ้าเราคนที่ไม่เคยติดหรือไม่เคยนินไม่หลงหนะตั้งใจลองดูนังไม่มีรสอะไรอร่อยเลยแม้เจเบรี่ก็เหมือนกันเหล้าก็เหมือนกันทุกอย่างเมื่อเราพิจารณาแต่เมื่อมันติดแล้วมันเลิกไม่ได้ละไม่ได้กลายเป็นของดีเป็นกลายเป็นของที่ว่าเอ ละไม่ได้จะต้องแสวงหาจะต้องเอามาเหมือนเล่นการพนันก็เป็นเสพติดชนิดหนึ่งวันนี้พูดถึงเรื่องการพนันสักหน่อยเพราะว่าโลกทางหลายในยมนัคมาจะนั่งกลางวันกลางคืนสักกีชั่วโมงก็ได้เล่นอยู่อย่างนั้นแหละ อดหลับอดนอนเล่นการพนันไม่เห็นเขาว่าทุกทั้งๆ ท, ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเนี่ยแต่ความรู้ความ ม, อ ม, อมอัวมาความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นเลยมันลืมไปจนมันลืมไปเพราะเอ็ดนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พินิจพิจารณาให้ละเอียด เราจะให้ติดเข้าใจว่าเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ผลที่สุดวันเดือนผ่านไปผ่านไปวัยของเราก็หมดไปหมดไปความสุขก็หมดไปหมดไปพอรู้ตัวขึ้นมาแล้วมันสายเสร็จแล้ว ค่สียแล้วอายุมากไปแล้วจะหันทำอะไรก็ไม่มีความรู้ความฉลาดเราก็ไม่ได้อบรมฝึกฝนไว้ความดีความสงบเย็นใจความเรียกรอยจะลึกขึ้นมาไม่มนีเพราะเราไม่ได้ฝึกเราไม่ได้อบรมไม่ได้ศึกษาไว้ไม่ทราบเอาจิตไปตั้งตรงไหนไปยึดตรงไหนเป็นที่พึ่งเนี่ยมันสายเสียแล้ว เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพินิพพิจนาตรวจตราให้ถ่องแท้โดยฐานะที่เราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเราควรทำที่เป็นสาระเป็นประโยชน์สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ให้เกิดเป็นที่พึ่งทางจิตใจของเราสิ่งนั้นแม้จะ จะต้องอาศัยความเพียรพยายามเราก็ควรอดทนควรเพียรพยายามเมื่อได้แล้วมันมีประโยชน์ทึ่งได้เป็นประโยชน์อันส้องคญยิ่งเราเอาแต่สิ่งที่ง่ายๆ่ายแต่ยวว่าเสียงมนุษย์เราอย่างยากสัตว์นะมันง่ายกว่านะถ้าพูดถึงสัตว์แมันกินก็ง่ายนอนก็ง่ายแต่เราชอบไหมแบบง่ายง่ายเท่านะัะ ไม่ต้องหุ้งไม่ต้องส่งไม่ต้องทําไม่ต้องเก็บไม่ต้องล้างถ้วยล้างชามลำบากเหมือนกับมนุษย์อพอตื่นมาแล้วก็เหมือนกับสัตว์ป่าขึ้นมาแล้วก็ไปเที่ยวหากินกินอิ่มแล้วก็นอนแต่ความสุขของเขาที่มันง่ายง่ายเหล่าลนั้นอมันสะดวกสบายกันอาดไหนมันได้สติปัญญาขนาดไหนเราคิดดูสิ่งที่ง่ายง่ายความง่ายของมนุษย์ วความง่ายของสัตว์ความง่ายของพกชั้นเทวดาของเขาอีกคนละระดับมีปณีตยิ่งขึ้นไปตามระดับเพราะฉะนั้นง่ายก็ตามยากก็ตามทำคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนำมาสั่งสอนเราทั้งหลายพระองค์ได้เลือกแล้วว่าพอดีพอเหมาะสมสติปัญญา ศรัทธาความเลื่อมใสของพวกเราทั้งหลายประพฤติปฏิบัติได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยสิ่งที่เหลือวิสัยพระองค์รู้แล้วเห็นแล้วแต่พระองค์ไม่นำมากล่าวพระองค์ไม่นำมาพูดเป็นจำนวนมากทีเดียวพระองค์จัสกับพระอนอนว่าดูก่อนอ น, อนุนทมที่เราได้ตรัสรู้แล้วนั้นมีมากที่เรานามาสอน เอเป็นนยายกรสัตทั้งหลายเปรียบเหมือนเม็ดทรายทั้งหมดแล้วพระองค์ก็กำเอาทรายยกขึ้นมากำหนึ่ง เ, เม็ดทรายในท้องมาหาสมุทรเรื่องในคัตตีในโลกหนึ่งยกขึ้นมานี่ที่เราเห็นแล้วเรานํามาแสดงเลือกแล้วนํามาแสดงเหมือนกับทรายอยู่ในกำมือของเราตถาคตนี่แหละ เราเห็นแล้วไม่ได้ออกมาจะนําามแสดงนั่นเหมือนกระส่ายที่อยู่ทั้งหมดนั่นเพราะเหตุใดเพราะสิ่งเหล่านั้นเหลือวิสัยกำลังมนุษย์ที่จะทําที่จะรู้ได้ที่จะทําได้แล้วก็ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เป็นการเปลืองเวลา เ, เวลารู้ได้ไปใช่ไม่ได้เอามาใช่เกิดประโยชน์ที่แท้จริง พระองค์ให้มาสอนแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้น เ, เพื่อให้เป็นที่พึ่งทางจิตใจอย่างแท้จริงพระองค์จึงมาสอนให้เราทั้งหลายาได้ศึกษาและปฏิบัติเพราะสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกนั้นมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันมีอยู่แล แต่ส่วนธรรมะเปรียบเหมือนยาที่หมอผู้ฉลาดขึ้นแต่งขึ้นเพื่อบำบัดโรคที่มีมาก่อนที่มีประจำอยู่ถ้ามีแต่โรคไม่มียาแก้คนทั้งหลายก็ได้รับทุกทรมานถึงแม้ว่าสังขารทั้งหลายจะต้องเตดดับแต่ก็เมื่อทานะ ที่เราพอจะช่วยได้รักษาได้แล้วก็เยี่ยวยารักษาบาบัดโรคบางอย่างรักษาก็หายแต่โรคบางอย่างถึงจะรักษายาขนาดไหนมันก็ไม่หายมันก็ต้องตายแต่ผูดด้ตีรักษาแล้วหายมีชีวิตยืนอยู่ก็มีจำนวนมากชั้นใดก็ดีทำคำสั่งสอนของอ ง, องค์สมเด็จพระสัมมาธิม สำพูดเจ้าที่พระองค์ในคนพบเอามาเยี่ยวยาโรคคือความทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายความหมัวหมองโดยความไม่จําเป็น ท, ทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บ ค, ความตายประคำสังขารแล้วยังทุกข์ในระหว่างไม่ฉลาดในการรักษากายรักษาวาจาใช้กายของเราให้กระทบกระเทือนเป็นเวรเป็นไัได้กลับทุกมาสู่ตัวของตัวเองใช้วาจาไม่ มีประโยชน์ลักเป็นเวรเป็นภัยเข้ามาทุกกับวงจรมาสนองเกตตัวของเราเองผู้ไม่ฉลาดในการโพดในการกระทา เ, เลยไม่ได้รับความสงบความสุขโรคชนิดนี้รักษาได้ไม่ใช่ว่ารักษาไม่ได้เมื่อเรามาตรวจรองทินิ้พิจรารณาเห็นความจริงข้อนี้แล้ว เราก็มาสํมรรงกายแต่สัรวรไวาจาที่เรียกว่ารักษาศีลเมื่อเราสํมรรงกายเวลาจะทำอะไรเราก็ทำแต่ทางที่ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีใครเดือดร้อนเวลาพูดหรือพูดจะไม่มีใครเดือดร้อนเมื่อพูดไปเราเป็นต้นเหตุให้เขาเดือดร้อนเขาก็พูดกลับขึ้นมาแต่ โดยมากจิตใจเวลาเขาพูดไม่ดีต่อมา ก, ก็ับเราเร า, เราไม่เห็นโทษของตัวเองนึกว่าเข า, เาทำาไม่ดีต่อเร า, เ, าเขาเป็นคนไม่ดีเสียแล้วเราไม่รู้ว่าความไม่ดีนั่นไปออกไปจากเราที่เราออกก่อนเพราะเหตุนั้นท่านจึงสอนมาให้ตรวจตราดูของเรากายขอาเราดูจิตใจของเรา เมื่อเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติฝึกเราดูตัวอย่างเมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้นั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินไปที่ไหนก็ไม่มีเรื่องราวไม่มีศัตรูไม่มีขา้าศึกแม้แต่เรารักษาได้เราก็ได้ความสุขอย่างนี้ท า, ทางกายทางวายใที่เรารักษาได้ถ้าเรามาอบรมจิตใจของเราให้ละเอียดอ่อน ให้มีความอ่อนน้อมในคุณพระพุทธเจ้าอ่อนน้อมในคุณพระธรรมอ่อนน้อมในคุณพระสงฆเราจะมีความสุขแค่ไหนเพียงไรมีความสงบเรียบร้อยแค่ไหนเพียงไรย่อมได้ความสุขเพราะความเคารพความเรื่อมใสความอ่อนน้อมพระพุติปฏิบัติตามในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ผู้ที่มีใจอ่อน เชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาความเชื่อแต่จิตกายวายจากเลยเลื่อมใสสะอาบริสุทธิ์เพราะอาศัยความเชื่อบุคคลที่จะเชื่อในคุณพระพุทธประธรรมประสงค์มั่นคงนั้นไม่ใช่สติปัญญาธรรมดาจะต้องมีสติปัญญาได้ศึกษาฝึกฝนพิเศษในธรรม คำสอนของพระองค์จึงจะเชื่อตามปกติแล้วความเชื่อของเรามีอยู่แต่ไม่มัน่นสิ่งใดที่เราไม่เห็นด้วยตนเองที่เรายังไม่รู้ด้วยตนเองยังไม่ได้สัมผัสด้วยตนเองเราก็สงสัยเราจะเชื่อมั่นไม่ได้ฉันใดทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวดีแล้วว่าศีลวัดดีอย่างนั้นสมาธิดีอย่างนี้ ถ้าหากว่าเราเพียงแต่ได้ยินข่าวเขาพูดหรือเห็นตามหนังสือความเชื่อมั่นในจิตในใจยังไม่มีถืงเชื่อกต่เชื่ อ, อ ย, ยังไม่เป็นกำลังเรียกทรัพธาธรรมดาเมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติไินิกพิจาราตรวจตราให้ละเอียดโดยเหตุด้วยผลและจิตของเราได้สงบได้ความสุขได้ความอ่อนนอ้อง ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเวีนพายความทุกข์ความวุ่นวายในจิตใจที่เคยมีเปลี่ยนแปลงไปและกายของเราก็รู้สึกว่ามีความปีติอิ่บเอิบอิบ่มไม่เหมือน แ, แต่ก่อนจิตใจของเราก็มีความผ่องแผวในจิตในใจนั่งก็มีความสุข ไม่เหมือนแต่ก่อนนอนก็มีความสุขเราสังเกตเมื่อความสุขมันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเราก็เชื่อมั่นว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงปบบไว้ดีแล้วสมควรจะเป็นสวากขาตธรรมเพราะนำผู้ปฏิบัติให้ได้ มาซึ่งความสุขที่แท้จริงเมื่อปรากฏชัดในจิตใ จ, ใจของเราแล้วเราไม่ได้เชื่อโง่ง่ายเพราะมันมีหลักฐานประกันยืนยันในตัวของเราที่เราได้ทดลองแล้วเปิดจักแล้วใครไม่เชื่อเราต้องเชื่อใครไม่อ่อนน้อมเราต้องอ่อนน้อมใครไม่ปฏิบัติเราต้องปฏิบัติ เพราะเราเชื่อเหมือนก็เราไปพบยาโอสถเราก็เป็นโรคมาก่อนแล้วเมื่อเราได้ไปบริโภคยาเหล่านั้นโรคที่เคยมีทรมานมานานยาวนานเส้นนานหมดไปเบาบางไปเรือหายไปใครเล่าจะไม่เชื่อเมื่อโรคมันหายได้ด้วยการบริโภคบริโภคยาเช่นนั้น ชั้นใดประเดีใครเล่าเมื่อปฏิบัติแล้วจิตใจได้รับความสงบได้รับความสุขไม่มีเวรไม่มีภัยบางเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราก็ต้องเชื่อแน่นอนเพราะความสุขมองเห็นไปจาก์ม่ติตในใจมีเฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้นถ้าผู้ไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ ไม่สามารถที่จะเห็นได้เมื่อกรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ความเชื่อของเขามันก็ไม่มั่นคงเขาก็ไม่มีเวลามเวลาที่จะปฏิบัติเพราะเขาทุ่ม เ, เทเชื่อไปในเรื่องอื่นะนะกว่าจะได้ความสุขยิ่งกว่าการประพฤติทธรรมส่วนพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้า ทั้งหลายที่ท่านได้น้อมนึกระลึกกามาประพฤติปฏิบัติจนปรากฏชัดในจิตใจโดยกลายเป็นจิตใจอันนั้นมีสติมีปัญญาขึ้นมาเครื่องรู้เครื่องเห็นและเป็นธรรมปรากฏขึ้นในจิตใจอย่างมั่นคงเป็นพยานหลับฐานในตัวของเราเองเมื่อจิต ตั้งอยู่ในธรรมแล้วเป็นฐานอันมั่นคงไปที่ไหนธรรมเหล่านั้นก็เหมือนกับเราติดตัวเราไปเราไปอยู่ที่ไหนกันโดยผลความสะดวกความสุขความเจริญให้แก่เราเมื่อเป็นเชนนี้เราทั้งหลายสมควรงามธรรมธรรมนั้นเป็นริพึ่งของเราอย่างประเสริฐ เมื่อเราตรวจดูให้ละเอียดถ้าหากยังไม่เห็นยังไม่เข้าใจก็ดำเนินต่อไปอีกพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้เชื่อต้องให้เกิดปรากฏเห็นเชื่อได้โดยตนเองท่านไม่เชื่อโดยการคาดคเนท่านไม่เชื่อโดยตามตาราท่านไม่นเชื่อโดยวัคก็อันนี้เป็นของเก่าแก่ามาแต่ก่อนท่านไม่เชื่อเลย นั่นควรเชื่อว่าความคิดนั้นตรงกับความเห็นของเราเป็นต้นพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ให้เชื่อโดยปราศจากการพินิจพิจารณาลงมือปฏิบัติให้เกิดความรู้ความเห็นชัดขึ้นในจิตใจของเราได้จินคอยเชื่อ เป็นสัจธรรมเป็นความจริงเป็นเชื่อที่ไม่ไร้ผลเมื่อเป็นเช่นนี้ขอให้เราทำหลายอันพยายามปฏิบัติเราปฏิบัติถึงไหนก็พยายามตรวจตรองให้เห็นความดีที่เกิดขึ้นเท่าที่เราทําได้ไปตามลําดับระดั บ, ดบเมื่อเราปฏิบัติหน้ามไปแล้วก็ค่อยชํานาญขึ้นมาเหมือนกระเด็ด พุ่งหเดินทีแรกลุกขึ้นได้ก็เดินมันปะลุกได้แล้วก็ล้มล้มล้วพยายามลุกขึ้นอีกเดินไปเก้าสองเก้าก็ล้มก็ลุกขึ้นอีกนานไปเดิ น, นไ ป, นนไปก็วิ่งได้เราทําสมาธิทีแรกก็เหมือนกันทีแรกมันก็เผลอบ้างเราก็พยายามประคับประกองบริกรรมภาวนาไปภาวนาไปกันลึกไปหลายหมหลายครั้งชํานาญเข้ามา เราก็จิตใจของเราก็คอยเชื่องคอยสงบคอยละเอียดคอยเย็นไปตามอันดับเท่าแรกท่างกายก็เจ็บนั่งไม่ได้เพราะไม่เคยนั่งกับพื้นไม่เคยได้ฝึกเมื่อก่อนเราก็พยายามนั่งไปนั่งไปนั่ไปนัน่ ไ, นน ไ, นนไปก็นั่งได้นานอะไรก็นานได้เรียกว่าเราฝึก มาฝึกแล้วมันมีประโยชน์แก่ตัวของเราเองเราสามารถจะยึดตันสิ่งที่เป็นสาระเป็นสารคือธรรมที่เราปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติได้ธรรมเหล่านั้นจะเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐในปัจจุบันและเพื่องหน้าไม่เฉพาะแต่เดียวนี้ติดตามเราไปด้วยถ้าเราฝึกไว้ เป็นสมบัติของจิตใจแล้วสิ่งใดเดียวเราเขียนไว้ในใจมันลบไม่ได้มันลบยากเพราะฉะนั้นเราควรพยายามปฏิบัติเขียนไว้ให้ปรากฏชัดในใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ถ้าไปเขียนในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ลบยากเหมือนกันนะบรรจุไว้ลบไม่ออกล่ะไม่มีใครลบได้เหมือนบุคคลที่ฝึกในทางที่ไม่ดีจนเป็นนิสัยแล้วละไม่ได้ยอมทุ่มเทเวลาเวลาทุกอย่างเพื่อเสนอเสนอสิ่งที่ชอบที่ตนชอบคือสิ่งที่ไม่ดีทารู้รู้แล้วก็ละไม่ได้ ย่อบางคนก็ยอมจนถึงชีวิตเพราะการติดในสิ่งที่ไม่ดีเลิกละไม่ได้ใครห้ามก็ไม่ฟังพี่น้องพ่อแม่ห้ามก็ไม่ฟังหาว่าเขาไม่วางดีกับตนเองนั่ น, นเป็นอย่างนั้นแหละเวลามันน้องไปในทางผิดน่ะมันประทับอยู่ในจิตแต่ใจมันเก่ยากเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพยายามฝึกหัดนิดสัยน้องไปในทางดีได้กว่านิส สายปัจจโยปูเรชาตปัจเจโยนิสัยที่เราฝึกไว้แต่ก่อนแล้วก็ได้มาเป็นปัจจัยในทางดีในปัจจุบันนิสัยดีปัจจุบันก็เป็นปัจจัยเป็นนิสัยที่เราได้ทําไว้แล้วต่อไปอีกอเหมือนกับเรามีความรู้ในปัจจุบันได้ใช้ความรู้ของเรา ทำกิจการงานอยู่สะดวกสบายเพราะอะไรเพราะนิสัยที่เราได้ฝึกได้เรียนมาแล้วได้ความรู้มาแล้วเราไปที่ไหนเราก็ไม่ต้องแด็กต้องหามติดตามเราไปทุกเห่งทุกหตเรานอนก็นอนด้วยเรานั่งก็นั่งด้วยเราได้รับความสะดวกสบายยิ่งเรามาฝึกธรรมะอบรมซึ่งเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐ ด้วยจิตภาวนารักษาจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในธรรมคือสมาธิของเราเป็นกำลังอย่างประเสริฐนะไปที่ไหนเราก็จะได้พึ่งอันเป็นผลที่ได้จากสมาธิคือปัญญาได้วิชาได้วิมุตตเป็นเครื่องรักษาตนให้หลุดพ้นจากเวรจากภัยทั้งหลายทั้งปวง เพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้ว้ากันฑ์กำหนดจดจำนำไปตรวจตรองภาวนาเมื่อมีศรัทธาเริ่มใสตั้งใจปฏิบัติตามด้วยความไม่ประมาทจะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังบรรยายมาประยุนติจะเพียงเท่านี้หลังจากฟัง เทศแล้วมาฟังธรรมคือภาวนาฟังโดยใจของเราใจมันอยู่อย่างไรมันพูดอะไรให้ให้เรามันชวนเราไปไหนมันแสดงอะไรมาก็ฟังดูใจของเราเนี่ยเนี่ยก็ฟังธรรมใจสงบแล้วก็ จะได้รู้จะได้เห็นใจไม่สงบเราก็จะได้รู้เราจะได้แต่งใจของเราให้ดีให้อยู่ในฐานะมันมั่นคงให้สมควรไปเวลาคอยเลิกพร้อมกัน